บุคลบัญญัติ91บุคคลที่หมดความหวังเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามไม่สะอาดมีสมาจาร์อันคนเอิงระลึกด้วยความรังเกยียจมีการงานอันปกปิดมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ผู้เน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเธอได้ฟังมาว่า ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็จะทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ที่หมดความหวัง บุคคลที่ยังมีความหวังเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามเธอได้ฟังมาว่าภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็จะทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ที่ยังมีความหวัง93บุคคลที่ปราศ จ, จากความหวังเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบั น, น, จจบนเธอได้ฟังมาว่า ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทําให้แ Sweden, จ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้เธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็ทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า ความหวังในความหลุดพ้นของบุคคลผู้ยังไม่เคยหลุดพน้นในการก่อนนั้นสงบระงับแล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ที่ปราศจากความหวัง94บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้าสามจำพวกเป็นไนคนไข้าสามจำพวกคือ1คนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัพพายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปพายะ ได้ยาที่เป็นสัพปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัพปายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นสองคนไข่บางคนในโลกนี้ได้โพชนะที่เป็นสัพปายะหรือไม่ได้โพชนะที่เป็นสัพปายะได้ยาที่เป็นสัพปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัพปายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสม ย่อมหายจากอาพาธนั้นสคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัพพายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้ยาที่เป็นสัพพายะย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้บนบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้น คนไข้ผู้ได้โภชนาที่เป็นสปายะย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสปายะย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นเพราะอาศัยคนไข้นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้ยาสำหรับภิกษุไข้ คนพยาบาลสำหรับภิกษุไข่ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้าสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสามจำพวกเป็นไงหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตาม ย่อมไม่อย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายสองบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคดจึงอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้อง เมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุสรธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลงบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคตจึงย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุสรธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว จึงย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่ย่างลงเพราะอาศัยบุคคล น, นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตการแสดงธรรมเพราะอาศัยบุคคล น, นี้จึงควรแสดงธรรมแก่คนแม้เหล่าอื่นบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้าสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก๙๕บุคคลผู้เป็นไกด์ศักขีเป็นไนะ บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายอยู่อันหนึ่งอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขี96บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตะเป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุก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 สภาวะธรรมที่พระธถาคุประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนอาสวะของบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะ98บุคคลผู้พูภาษาพูดเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จอยู่ในสภาอยู่ในบริษัท อยู่ท่ามกลางญาติอยู่ท่ามกลางทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิดเล็กน้อยด้วยประการศชนีดบุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาพูดเกบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นข่าจากการพูดเท็จอยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ในท่้ำกลางญาติอยู่ในท่้ำกลางทหารหรืออยู่ในท่้ำกลางราชสำนักถูกเขานําไปอ้างเป็นพยานซักถามว่า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 หนึ่งร้อยบุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสบายหูไพเราะจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาน้ำผึ้งร้อยหนึ่งบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคลึงเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมลังน้ำหนองออกมากขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคือง พยาบาทพึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าร้อยสองบุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุก์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข เปรียบเหมือนคนตาดีพึงเห็นรูปในขณะที่ฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบร้อยสาบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชรเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทําลายไม่ได้ย่อมไม่มีชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะ เพราะอาชวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนเพชร1 0อยสบุคคลตาบอดเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โกพกกระซั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภกกระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นปุสนและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่เลวและประณีดรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดร0อยหบุคคลตาเดียวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โพกกระซับที่ยังไม่ได้หรือทำโพกทระซัที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่เลวและประนีชรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวร้อยหบุคคลสองตาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โพกกระซัพที่ยังไม่ได้หรือทำโกพกกระซั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่เลวและประณีดรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบเพื่อทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาร้อยเจบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ําเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของพิกษุทั้งหลายพิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในทถ้ำกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ เ, เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อความที่เขาเทน้ําลงไปน้ําย่อมไหลาราดไปเมื่อขังอยู่ชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของพิกษุทั้งหลายพิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระานั้นไม่ได้แม้รู้จักที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำร้อยแปบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพกเป็นไฉบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของพิสษุทั้งหลายภิสษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจทร์พร้อมทั้งอัฏและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขาแ่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งระถานนั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งกระถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาข้าวสารขนมต้มพุชตาไว้ที่ชายพกบุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นพึงทําเรื่อราเพราะเผลอสติชื่อแม่ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบรูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาเหมือนชายพกรเกบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของพิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระถานนั้นได้แม้ลุกจากที่นั้นก็ยังจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระถานนั้นได้เปรียบเหมือนหม้องายที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมขังอยู่ไม่ไหลาราดไปชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ่วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแทนกระฐานั้นได้แม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแทงกระฐานนั้นได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญากว้างขวาง ร้ 110. บุคคลผู้ยังมีการมราคะและภวราคะเป็นไนบุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้ยังมีการมราคะและภวราคะร้อบบุคคลผู้ไม่มีการมราคะแต่ยังมีภวราคะเป็นไนบุคคลผู้เป็นอนาคามีบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีการมราคะแต่ยังมีภวราคะ ร้อสบองบุคคลผู้ไม่มีทั้งการมราคะและภวราคะเป็นไนบุคคลผู้เป็นอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวะราคร้อยบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักห ม, มมอยู่นาน รอยขีดบนแผ่นหินย่อมไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อมติดอยู่นานชื่อแม่ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินร้อยสิบสี่บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำ แต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักหมมอยู่นานรอยขีดที่แผ่นดินย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ําไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำแต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักห ม, มมอยู่นานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรมเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินร้อสิบห้าบุคคลผู้เปรมเหมือนรอยขีดที่น้าเป็นไหน บุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่รอยขีดที่น้ำย่อมขาดหายไปเร็วไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบ แม้จะถูกว่าด้วยคําที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่บุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำร้อยสิบหกบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นไงผ้าเปลือกไม้สามชนิดคือหนึ่งผ้าเปลือกไม้ใหม่มีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกสอง ผ้าเปลือกไม้ปานกลางมีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกสาผ้าเปลือกไม้เก่ามีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกคนทั้งหลายย่อมทำผ้าเปลือกไม้แม้เก่าให้เป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งมันที่กองอยากเยื่อบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกัน ภิกษุเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นไฉนหนึ่งแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้นก็ภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและกิฬานปัจใจเพศประเรือขานของคนเหล่าใดทางของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อย ผู้นี้เปรียบเหมือนภาพเปลือกไม้ที่มีราคาถูกสองแม้ท่าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะละถึงแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นเทระแต่เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวซามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพันธ์เศร้ามองผู้นี้เปรียบเหมือนภาพเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการครบหาเป็นต้นนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุที่พิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้นก็ภิกษุนั้นรับจีวรบินบาบเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศปริรขานของบุคคลเหล่าใดทางของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงมาก นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อยผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูก 3. หาภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในถ้ำกลางสงภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยคำที่คนร่านไม่ฉลาดกล่าวออกไปแม้ตัวท่านก็เข้าใจคำที่ควรกล่าวเธอโกรธไม่พอใจเปล่งวาจาที่เป็นเหตุให้สงยกวัดตน เหมือนภาเปลือกไม้ที่เขาเทงที่กองอยากเยื่อบุคคลเปรียบเหมือนภาพเปลือกไม้สามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายร้อยสิบเจ็ดบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนภาพแหวนกาสีสามจำพวกเป็นเชนผรภาแหวนกาสีสามชนิดคือหนึ่งภาพแคว้นกาสีที่ยังใหม่มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพงสอง ผ้าแขวนกาสีแม้กลางเก่ากลางใหม่มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพงสาผ้าแขวนกาสีแม้จะเก่าแต่ก็มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพงคนทั้งหลายย่อมทำผ้าแขวนกาสีแม้เก่าให้เป็นผ้าห่อกแก้วหรือเอาใส่ไว้ในผ้าอบของหอมบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแขวนกาสีสามจำพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุสามจำพวกเป็นไฉไหนึ่งแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวิกะมีศีลมีธรรมอันงามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณงามผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแควนกาสีที่มีสีสวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการพบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่สุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุขผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้นภิกษุนั้นรับจีวรบินบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศรประคั่ง ข, ของบุคคลเหล่าใดทางของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่ามาก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 เพื่อสุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุขผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแควนกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้นก็ภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศบริขารของบุคคลเหล่าใดทางของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่ามาก ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแควนกาสีที่มีราคาแพงสถ้าภิกษุผู้เป็นเทระเห็นปานนี้กล่าวในถ้ำกลางสมภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสงบเถิดภิกษุที่เป็นพระเทระจะกล่าวธรรมและวินัยถ้อยคำนั้นของพระเทระควรทรงจำไว้ในหไทยเหมือนผ้าแควนกาสีที่ควรเก็บไว้ในผอบของหอมฉะนั้น บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแควงกาสีสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายร้อยสิบปดบุคคลผู้ประมาณได้ง่ายเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพื่อมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขัดแว่งไม่สำรวมอินทรีย์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ง่าย ร1 9บุคคลผู้ประมาณได้ยากเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่เป็นคนปากกล้าไม่พูดพร่อเพื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ยากร้อยี่สิบบุคคลผู้ประมาณไม่ได้เป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณไม่ได้ร้อยยี่สิบเอ็ดบุคคลที่ไม่ควรเสกไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนต่ำชามกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญา บุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสกไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่ความเอนดูและความอนุเคราะห์ร2อบุคคลที่ควรเสกควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเสมอตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสกควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาจากมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาการสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจะเป็นความสําราญและจักดําเนินไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรใสควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ร้อยี่สบสาบุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เหนือกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพครบเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่าเราจะได้บำเพ็ญศีลขันธ์กองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจับอนุเคราะห์ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ร้อยบุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานอันปกปิด ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อบุคคลเช่นนี้ควรรังเกยียจไม่ควรเสกไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรมเพราะคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิติศัพท์อันชั่วของเขาย่อมกระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่ว คบเพื่อนชั่วเปรียบเหมือนงูที่เปื่อนคูดถึงจะไม่กัดใครๆก็จริงถึงอย่างนั้นก็ทําให้เขาเปื่อนได้ฉันใดคนทั่วไปก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิดิี่ศัพท์อันชั่วของเขาก็ประชดไปว่าคนคบมิชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรรังเกียจไม่ควรเซฟไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ ร้อยยี่สิบห้าบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสกไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทพึ่งเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมหลัง่งน้ำหนองออกมากขึ้นแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแคลนใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคพึ่งเครียดสแสดงอาการกโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนฐานไม้มาพลับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมประทุเกินประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคลึงเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรีเหมือนหลุมคู่ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแคนใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาท เครื่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลเช่นนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะบุคคลบางคนคิดว่าบุคคลเช่นนี้จะพึงด่าเราบ้างบริภาาเราบ้างทำเราให้ขิบหายบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเซฟไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ ร้อยี่สิบหกบุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูมน้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคร บ, คว ร, ค, รบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไงเพราะบุคคลทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิดิศัพท์อันงามของเขาก็ขอจรไปว่าคนคบมิตรดีคบสหายดีคบเพื่อนดีเพราะฉะนั้น บุคคลเช่นนี้จึงควรเซฟควรพบควรเข้าไปนั่งใกล้ร้อยี่สิบเจบุคคลผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้พอประมาณในสมาธิทําให้พอประมาณในปัญญาเป็นไนบุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกะทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้พอประมาณในสมาธิทําให้พอประมาณในปัญญาร้อยสิบ บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาเป็นไนบุคคลผู้เป็นอนาคามีบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาร้อยยบุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเป็นไน บุคคลผู้เป็นอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูบรณ์ในปัญญาร้อยสามสิในบทมาติกานั้นบุคคลผู้เป็นาศาสดาสามจำพวกเป็นไนาศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทน า, าศาสดาบางคนในโลกนี้ บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูปแต่ไม่บัญญัติการละเวทนาศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามบัญญัติการละรูปและบัญญัติการละเวทนาบรรดาศาสดาเหล่านั noir, ้นศาสดาที่บัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสดาผู้ได้รูปาวจรสมาบัติบรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดาที่บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูปแต่ไม่บัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสดาผู้ได้อรูปปัตมาบัติบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติการละกามบัญญัติการละรูปและบัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกเหล่านี้ ร้อยสามสิบเอ็ดบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม้อื่นอีกเป็นไนศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตตาในพกหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนส่วนศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของยั ton, case, você, diet, ่งยืนแต่ไ <sack> ม <surface> ่บ <showed sample ître> ัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและศาสดาบางคนในโลกนี้ไม่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตตาในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนโดยการบรัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าเทียงบรรดาศาสดาเหล sure well. re ่านั้นศาสดาผู้ที่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนแต่ไม่บัญญัติอัตตาในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืน ดยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าขาศูนย์ศาสดาผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและมีบัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบบุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม้อื่นอีก ติกการนิเทศจบ